ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดนี้เราเรื่องการ มีการเตรียมการทําการที่เอ่อเตรียมการ ยังไม่ได้มีว่าไม่ใช่ได้ทําแต่ไม่เป็นไรก็ฝึก ก็อยู่ที่โรงเรียนหรือว่าประชุมอยู่เนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีจิต นะว่าไอ้ที่การ basic ที่เป็นรูปแบบนะนะ dB อะไรอย่าง 2 ลักษณะนั้น เป็นเรือนว่างเรือนว่างนี่ก็หมายความว่าไม่มี ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวจะเข้าไปนี่ก็ไม่หรือระยะ 1 นะแล้วเดี๋ยวก็ยังพูดถึงสถานที่ที่เป็นที่ จะมีลมเกิดขึ้นนี่นะก้อนลึกแห่งที่ประเภทนี้นี่คือเอ่อ 1 จะก็คือสงัดหรือ 2 ผู้ชาวก็พูด และไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็นั่งสมาธิได้นะว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ แล้วบริจาคก็เลยพูดถึงการกู้ขาเข้ามานะจะคู้เข้าก็ได้จะคู้ออกไปก็ได้ เราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะในที่นี้พระเจ้าพูดถึงตรัสๆเลยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เลยไม่มีล่ะนะถ้า นั่นหลายแบบทีเดียวท่านผู้ฟังนะเท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยเราจะพบว่า ของอีกข้างหนึ่งนั้นคือเข่าขวาอยู่บนข้างบนของเท้าซ้ายนะเข่าซ้ายก็อยู่ข้างบนของเท้าขวาสลับกันไปอย่างนี้คือนั่ง ขาขวาก็อยู่บนเท้าซ้ายด้วยทับอยู่กัน 2 ก็ได้หรือถ้าใคร 2 อันใดอันหนึ่ง 3 ที่เราได้ยินกัน นั่นคือเอาเท้าขวาเนี่ยวางไว้บนเข่าซ้ายเท้าคืองัดขึ้นมาพองัดขึ้นมา 4 นั้นคือเท้าและ อ่าเหลื่อมไปข้างหน้าหรือแบบที่เราจะนั่งกรณีที่ว่าเราไม่ได้นั่งเก้าอี้เอาง่ายๆแต่ถ้ามีเก้าอี้มีเฟอร์นิเจอร์ 4 แบบ อย่างใน 4 แบบนี้เอาแบบไหนได้แบบไหนก็ได้ครับท่านผู้ฟังเพราะว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้เราก็ต้องเอาเท้า คือแบบแบบออกไปคือแบะๆออกไปนะพอแบะๆออกไป อฝึกหัดนั่งสมาธิก็อาจจะนั่งขัดสมาธิธรรมดาก็ได้มาโดยรอบเอ่อที่สําคัญถัดมาก็คือตั้งกาย 2 ข้าง นะถ้าเราให้น้ําหนักของเราจะทําให้กล้ามเนื้อหลังหรือไหลของเราเนี่ยดึงรั้งมากเกินไปเราก็จะปวดเหนือปวดหลังบ้าง ส่วนใหญ่ตรงระดับหน้าหลังเนี่ยบางคนก้มไปทางข้างหน้ามากนะไอ้หลังด้านต่ําเราจะปวดจะปวดหลังนั่งไปนานๆ น่ะคือบางทีมันเกือบจะเทล้มไปข้างหลังแล้วเซล้มพอพอดีเลยที่เราจะให้น้ําหนักตัวส่วนบนของร่างกายทั้งหมดเนี่ย เพราะกระดูกเชิงการแอนปุ๊บกระดูกสะลัมก็จะงอเพราะกระดูกเชิงการยกขึ้นหลังเราก็ตั้งตรงได้ของกระดูกเชิงการเลยต่ํากว่าไปแล้ว นะเพื่อให้หลังเราก็จะตรงได้หัวคาวเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่ากระดูกฉังการหรือว่าอยู่อย่างน้อยอยู่ในระดับ ไม่ล้มไม่เสถลานั่งไกตรงน่ะตั้งไกตรงก็ดูเรานั่งเป็นยังไงเราทําเป็นในพรุ่งนี้ แล้ววันนี้อาตมา